วันนี้เป็นวันเสาร์ที่27สเมษายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายทำฝ่รู้ฝ่ายศึกษาได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาเรียนรู้ คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำมาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่จิตใจของผู้ปฏิบัติ mm. การศึกษาการเรียนรู้ธรรมะจะได้ทำให้เรารู้ว่าเรามาเกิดกันทำไม ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาธรรมะเราก็จะคิดว่าเรามาเกิดเพื่อมาหาความสุขกันมาหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็คือโลกกระม4สี่ประการด้วยกันได้แก่ลาบยศสรรเสริญและรูปสียงกิ่นรสผภพชนิดต่างๆ พอเวลาที่ได้ลาบยศเสริญได้เสษ ร, รูปเสียงกิรลโพทธะที่ถูกใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแต่ความสุขที่ได้นั้นมันเป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวแล้วไม่ช้าก็เร็ว มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปเพราะสิ่งที่เราได้มาเพื่อให้เราได้ความสุขคือลาบยศเสริญเสริญแระรูปเสียงกิรลดโทธทพมันจะต้องมีวันเสื่อมไปมีวันหมดไปนั่นเองเวลาที่ลาบยศสริเสริญเวลาที่รูปเสียงกิรลดโทธทพะ เสื่อมไปหมดไปความสุขที่ได้จากมันก็จะหายไปกลายเป็นความทุกข์อยู่ในใจชีวิตในการหาความสุขก็จะต้องเจอกับความทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ คือธรรมชาติของราบยดสารเสริอของรูปเสียงกลิ่นรสผลพระนี่อยู่ภายใต้กฎไต ร, รลักษณ์คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอ น, นิจจังมันก็หมายถึงไม่แน่นอนไม่คงทนถาวรนไม่ยั่งยืนมีเกิดแล้วก็มีการดับได้ มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมได้เป็นธรรมดาเวลาเจริญมันก็ให้ความสุขกับเราเวลาเสื่อมมันก็ให้ความทุกข์กับเราเช่นเวลาที่เราได้เงินทองมาเราก็มีความสุขกันเวลาที่เราสูญเสียเงินทองไปเราก็ทุกข์กัน เวลาที่เราได้ยศได้ตาแหน่งอะไรต่างๆมาเราก็ดี อ, อกดีใจกันเวลาที่เราสูญเสียยศสูญเสียตําแหน่งไปเราก็เศร้าโศกเสียใจเวลาที่เราได้รับการยกย่องสรรเสริญเยืนยอเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาเวลาที่เราได้รับการ น, านินทาตําหนิตีเตียน เราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่เราได้เสพรูปเสียงเกียรติยศที่เรารักเราชอบเราก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่เวลาที่เราต้องสูญเสียเราต้องพัดภากจากรูปเสียงกียรติยศผลสภาที่เรารักเราชอบมันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจกันและมันเป็นสิ่งที่เราห้ามมันไม่ได้ อ่าไม่ให้มันเสือไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครเพราะมันเป็นธรรมชาติเหมือนกับดินฟ้าอากาศที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครดินฟ้าอากาศเขาจะร้อนเขาก็ร้อนเวลาเขาจะหนาวก็หนาวเวลาที่ น้ำจะท่วมมันก็จะท่วมเวลาแรงมันก็จะแรงปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี่<ม>ก็รวมไปถึงราบยศเสริญสุกนี่มันอยู่ในภายใต้กฎอันเดียวกันมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ต้องมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรียกว่าอนิจจังที่ไม่มีใครควบคุมบังคับได้ เรียกว่าอนัตตาถ้าใครไปอยากให้มันเป็นไปตามใจอยากพอมันไม่ได้เป็นไปตามความอยากใจก็จะทุกข์ขึ้นมาใจที่ไม่ฉลาดก็ที่ไม่รู้เรื่องกฎของตายรักก็มักจะอยากให้สิ่งต่างๆนั้นเป็นนิจจังสุขขังอัตตาตัว mm hmm. อยากจะให้ราบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นนิจจัง คือเป็นของถาวรได้มาแล้วไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดแล้วก็สามารถอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราได้เป็นอัตตาเป็นของเราที่เราจะสามารถเก็บไว้ให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเป็นสุขขังอันนี้เป็นความโมหะความหลงของผู้ที่ไม่มีปัญญา ของผู้ที่มองไม่เห็นกฎของตายรักว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในโลกนี้ล้วนเป็นตายรักทั้งนั้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดา <c oughs> รวมถึงร่างกายของพวกเราทุกคนร่างกายของพวกเราที่มานั่งฟังเทศฟังธรรมกันนี้มันก็ไม่ได้อยู่มาตลอด มันเกิดมามันมีจุดของมันจุดเริ่มต้นก็คือการเกิด<ม>เกิดมาออกมาจากท้องแม่ก็เรียกว่าเกิดแล้วมันก็ค่อยๆจเจริญเติบโตไปตามลำดับ<ม>จนกระทั่งมันโตเต็มที่มันก็เริ่มเสื่อมลงไปร่างกายก็เริ่มถดถอย กำลังวังชา ก, ก็ลดน้อยถอยลงไปสุขภาพก็ลดน้อยถอยลงไปสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดร่างกายนี้ก็ต้องตายไปอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราที่ไม่มีปัญญากลับไปยึดไปติด ร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเราเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับให้อยู่กับเราเป็นกับเป็นของเราไปได้ตลอดแต่พอเราไปเจอความจริงเข้าเวลาที่เราไปเจอเหตุการณ์ที่ <Yeah. S 1> อาจจะทำให้เราตายได้หนือ <Yeah. Yeah. S 1> เราสูญเสีย ุคคที่เรารักที่เราเคารพไป mm hmm. คนที่เรารักเราเคารพเช่นวีดามารดาของเราร่างกายของเขาวันหนึ่งก็ต้องตายไปเวลาเห็นความตายขึ้นมาก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะว่าไม่เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาของร่างกายก็เลยทุกข์กัน ถ้าเห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจังเห็นว่าร่างกายเป็นอนัตตาเป็นของที่ไม่เทียมเป็นของที่เกิดแล้วเดี๋ยวในที่สุดก็จะต้องมีวันดับไปไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงความจริง<ม>ของกฎของธรรมชาตินี้ได้<ม>ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะทุกข์ นี่แหละคือความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นถ้าเรามาแสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราเกิดมาทำไมกันถ้าเราได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมได้เห็นแล้วว่าการเกิดมานี้ ถ้าเราเกิดมาเพื่อทำตามความอยากต่างๆสิ่งที่เราจะได้รับก็คือความทุกข์ต่างๆจากสิ่งต่างๆที่เราแสวงหาให้ความสุขกับเราเช่นลาบยศสารเสริญสุขแทนที่มันจะเป็นสุขอย่างเดียวมันกลายเป็นสุขที่มีความทุกข์ตามมาเสมอไม่ช้าก็เร็วลาบยศสารเสริญ และรูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้เส็บได้สัมผัสมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวันเสื่อมลงพอมันเสื่อมลงมันสิ้นสุดลงมันก็ทำให้เราทุกข์กันและร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องแก่เจ็บตายพอเวลามันแก่มันเจ็บมันตาย ความสุขที่เราเคยหาได้จากร่างกายผ่านทางร่างกายก็หมดไปไม่สามารถไปหาอะไรมาให้ความสุขกับใจได้ใจก็จะทุกข์และความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็ทำให้ใจทุกข์ <c oughs> ถ้าเราได้ฟังเทศฟังธรรมได้ศึกษาแล้วเราก็จะรู้ว่า การเกิดนี้ไม่ได้เป็นการมาหาความสุขกันการเกิดนี้เป็นการมาหาความทุกข์กันเพราะโลกที่เราเพราะโลกที่เรามาหาความสุขนั้นมันเป็นโลกของความทุกข์โลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เรามองไม่เห็นความความจริงอันนี้กันนานจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่ มีบารมีที่ได้สะสมบารมีมาอย่างมากมายบารมีทั้งสิบประการ mm hmm. เช่นปัญญาบารมี mm hmm. ที่ทำให้พระองค์สามารถมองเห็นว่าการมาเกิดนี้เป็นการมาหาความทุกข์ mm hmm. ความสุขที่ได้มันเป็นเหมือนเครื่องอําพรางความทุกข์ mm hmm. เป็นเหมือนกับ น้ำตาลที่ห่อยาขมไว้ยาขมเคลือบน้ำตาลความสุขที่เราหากันในโลกนี้เป็นเหมือนน้ำตาลที่เคลือบความทุกข์เคลือบยาขมเวลาเราอมยาเข้าไปใหม่ๆมันก็จะได้ลดหวานแต่สักพักหนึ่งพอน้ำตาลที่เคลือบอยู่ละลายไปหมดรสของความขมของยาก็จะเกิดขึ้นมา ปรากฏขึ้นมาอย่างใดความสุขต่างๆที่เราหากันในโลกนี้มันก็เป็นเหมือนน้ำตาลเพื่อบยาขมดีๆนี่เวลาได้มาใหม่ๆมันก็เกิดความสุขขึ้นมาแล้วไปเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งความสุขนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปแล้วสิ่งที่จะโผล่ขึ้นมาต่อไปก็คือความทุกข์ นี่แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีปัญญาบารมีที่สามารถมองเห็นกฎของายลักได้และเห็นเหตุที่ทำให้ใจต้องทุกข์ก็คือความอยากปัญหาความอยากาต่างๆปัญหาความอยากนี่แหละ ที่เป็นตัวที่พาให้จิตมาหาความสุขอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดภะพะอยากจะเสกรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะในเช้นในรูปแบบต่างๆแล้วก็อยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตเป็นต้นแล้วก็อยากให้เป็นไปนานๆไม่อยากให้เสื่อม ไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรไปอยากให้ร่างกายแข็งแรงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปเรื่อยๆ <S <S 1> <S 1> ความอยากเหล่านี้แหละที่เป็นเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันพาให้ใจที่ไม่มีร่างกายเช่นเป็นดวงวิญญาณขณะที่เป็นดวงวิญญาณอยู่ ขณะที่ใจได้ได้จากโลกที่แล้วไปเมื่อร่างกายตายไปใจก็จะเป็นดวงวิญญาณแต่เป็นดวงวิญญาณที่มีความอยากทั้งสามประการฝังอยู่ในใจคือกามตัณหาความอยากเสืรูปกเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะภาวะวิภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็น เช่นอยากได้ลาบยศสรรเสริญ <Yeah. S 1> ล ะ, ะวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีไม่เป็น <Yeah. S 1> คือความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญถึกไปคือไม่อยากเจอกับความเสื่อมของลาบยศไม่อยากจะเจอกับนินทาไม่อยากจะเจอกับความทุกข์ของรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพานนั้นเอ ง, เองความอยากเหล่านี้มันเป็นตัวที่ผลากดัน ให้ดวงวิญญาณแต่ละดวงนี้มารับร่างกายอันใหม่มาหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่เมื่อได้ร่างกายแล้วจะได้ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือไปในการหาความสุขจากโลกกะระทที่มีในโลกนี้นั่นเองแล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์จากโลกกรรมนี่แหละ เพราะโลกการทำมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้หยุดความไม่เที่ยงไม่ได้ทําให้มันถาวรให้มันเป็นของเที่ยงไม่ได้นั่นเองแต่ใจเมื่ออยากได้ความสุขจากสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้มันสุขไปนานาไม่อยากให้มันเปลี่ยนไม่ไม่อยากให้มันหมดพอมันเปลี่ยนไปมันหมดไปมันก็เลยสร้างความทุกข์ใจขึ้นมา อันนี้แหละเป็นสาเหตุที่พาให้ดวงวิญญาณของพวกเราทุกดวงมาเกิดมามีร่างกายกันพอมีร่างกายแล้วเราก็พอออกมาเราก็เริ่มหารูปเสียงกลิ่นแล้วตั้งแต่เด็กเลยเด็กนี่พอดืมตาขึ้นมาก็เริ่มร้องร้องขอรูปชนิดต่างๆอย่างนี้อยากได้รูปต่างๆมาดู พอแม่ก็เลยต้องหาตุ๊กตาของเล่นอะไรต่างๆมาให้ดูอยากจะฟังเสียงอะไรแปลกๆใหม่ๆอยู่เรื่อยๆก็มีของเล่นที่มีเสียงมีมีลูกให้สัมผัสมันอยากมากตั้งแต่ออกมาจากท้องเลยทุกครั้งเวลาที่เด็กร้องเนี่ยมันมันแสดงอาการผลของความอยากว่าฉันทุกข์แล้วฉันอยากได้ถึงนี้มาบำบัดความทุกข์ให้กับเราให้กับฉัน พอแม่ก็เลยต้องหาวิธีต่างๆเพื่อที่จะมาทำให้เด็กหยุดร้องไห้แล้วเราก็จะเพิ่มความอยากไปเรื่อยๆตามกําลังความสามารถของร่างกายที่จะตอบสนองความอยากของเราได้พอเราเริ่มโตมากขึ้นเราก็จะเริ่ม หาความสุขจากสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆหาได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ<ม>ก็ต้องหาไปเรื่อยๆหาไปจนวันแก่วันเจ็บวันตายความอยากนี้มันก็ไม่หมดไปมันไม่มีวันสิ้นความอยากนี้มันจะไม่หมดไปเพราะด้วยการกระทาตามความอยาก ยิ่งทำตามความอยากยิ่งทาให้เกิดความอยากมากขึ้นอย่างที่มีคำพูดว่าอยากได้เวลาได้คืบก็อยากจะได้สอกได้เป็นสอกได้สอกก็อยากจะได้วา mm hmm. สมัยเด็กๆ เ, mm hmm. เราเป็นเด็กได้สิบบาทแล้วก็ดีใจ mm hmm. แต่หลังจากได้สิบบาทไปสักระยะหนึ่งเราก็อยากจะได้ร้อยบาทขึ mm ้น hmm. พอได้ร้อยบาทก็อยากจะได้พันบาทได้พันบาทก็อยากจะได้หมื่นบาทความอยากมันจะไม่มีวันหยุดมันจะกลับทําให้มีความมีความอยากเพิ่มมากขึ้นแล้วทุกครั้งที่อยากแล้วไม่ได้ตั้งังใจอยากก็จะต้องกิดเจอกับความทุกข์ใจเวลาอยากได้อะไรแล้วยังไม่ได้นี่ก็จะทําให้ทุกข์ใจทําให้โกรธ แล้วก็อาจจะทำให้ไปทำบาปทำกรรมเวลาโกรธแล้วก็ไม่พอใจก็อาจจะไปทำร้ายผู้อได้หรือเวลาโกรธที่ไม่ได้ยังใจอยากก็อาจจะไปแย่งของที่อยากได้จากผู้อไปยิ่งอยากได้เงินได้ทองก็อาจจะไปล้นไปจี้ไปรักไปขโมยไปทำบาป แล้วพอไปทำบาปถึงแม้จะได้สิ่งที่อยากได้มามันก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกกันงทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปด้วยดังนั้นการที่เราปล่อยให้ใจทำอะไรตามความอยากนี้มันจะพาให้เราไปเจอความทุกข์อยู่เรื่อยเพราะถึงแม้ว่าเราจะได้สิ่งที่เราอยากได้มาได้ความสุขจากสิ่งที่เราอยากได้ เราก็ได้ความกังวลตามมาด้วยเพราะเรารู้ว่าของต่างๆในโลกนี้มันไม่แน่นอนมันจะหมดเมื่อไหร่มันจะจากเราไปเมื่อไหร่เราก็ไม่ไม่สามารถไปยับยั้งไปห้ามมันได้มันก็มาสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจให้กับเรากับสิ่งที่เราได้มากับสิ่งที่ให้ความสุขกับเราความสุขที่ได้มามันก็มีความทุกข์ติดมาด้วย ความทุกข์คือความวิตกความกังวลความหวาดระแวงความหวาดกลัวอะไรต่างๆที่ในการที่อาจจะต้องสูญเสียสิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เรารักเราชอบไปเพราะฉะนั้นมันมีแต่เรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นถ้าปล่อยให้ทําตามความอยาก อ, อยากไปจนร่างกายตายไปความอยากมันก็ไม่หมดไป เพราะความอยากมันไม่ได้ติดอยู่ในร่างกายความอยากมันติดอยู่ในใจที่จะเป็นดวงวิญญาณต่อไปพอเป็นดวงวิญญาณมันก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ต่อไปและระหว่างทางก่อนที่จะได้ไปเกิดใหม่ถ้าไปทำบาปเอาไว้ก็ต้องไปชำระ บ, บาปก่อนไปใช้หนี้ก่อนต้องไปอยู่ใน ที่ของของโลกทิพย์ที่ดวงวิญญาณอยู่ในขณะที่ไม่มีร่างกายก็จะมีอยู่ในที่ของอบายถ้าไปเกิดได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้ายัางไม่ได้เกิดก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตหรือเป็นดวงวิญญาณที่มีความหวาดวิตกกังวลเรียกว่าสุรกาย หรือเป็นดวงวิญญาณที่เพี้ยมโหดทารุณอาฆาตพยาบาทเขเรียกว่านรกจนกว่าบาปที่ได้ทำไว้นั้นมันหมดกำลังลงถึงจะได้มาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่แล้วก็มาหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ม่อีกรอบหนึ่งสิ่งต่างๆที่หาได้ก็เป็นความสุขแบบเคลือบ แบบน้ำตาลเคลือบยาขมเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์นั้นทุกครั้งที่มาเกิดมันก็จะต้องเจอกับความทุกข์ตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้เจอกับความทุกข์กันมากก็ได้แต่ต่อไปมันต้องเจอกันทุกคนเวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราจะตายเนี่ยมันจะต้องเจอกับความทุกข์กันอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการไม่กลับมาเกิดพระพุทธเจ้าได้ทรงสรุปว่าการเกิดนี้มันนำมาสู่ความทุกข์เพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายมีการพัดพากจากสิ่งที่เราลักเราชอบไปนั่นเองถ้าเราต้องการความสุขอย่ามาเกิด การไม่เกิดนี่แหละเป็นการสร้างความสุขให้กับใจอย่างแท้จริง mm hmm. การเกิดนี้เป็นการพาให้เราไปสู่ความทุกข์ตั้งแต่เกิดมาเลยตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาเลยเออกจากท้องแม่มาก็ร้องไห้กัน mm hmm. การร้องไห้ก็แสดงถึงว่ากำลังทุกข์แล้ว mm hmm. เพราะความอยากมาเริ่มทำงานนะ อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยากได้เศษได้สัมผสัสกับอะไรต่างๆ <c oughs> อนี่พระพุทธเจ้าก็เลยด้วยพระปัญญาบา ร, รมีอันแก่กล้าของพระพุทธเจ้าก็เลยได้เห็นความจริงเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากการที่มีความอยากสามประการคือกามตัณหา ความอยากเสพรูปเสียงกยลิ่นรสผลตระเพาะภาวะทันหาความอยากได้ราบยศสารเสริญสุขอยากได้โลกธรรมมีภาวะทันหาความอยากไม่สูญเสียราบยศสารเสริญสุขหรือความอยากไม่สูญเสียร่างกายไปนั่นเองอันนี้เป็นเหตุที่ทําให้สั่นโลกอย่างพวกเราทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้ต้องมาทุกข์กัน ถ้าเราไม่อยากจะต้องเจอความทุกข์เหล่านี้เราสามารถหลีกเลี่ยงได้เราสามารถยุติการเกิดได้ด้วยการไประงรับเหตุที่พาให้เรามาเกิดนั่นเองเหตุที่พาให้เรามาเกิดก็คือตัณหาทั้งสามนี้กามาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วแล้วความอยากเศษกาม วิภาวะทัศนาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะทัศาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเราต้องหยุดความอยากทั้งสามนี้ที่มีในใจนี้ให้ได้และการที่เราจะหยุดได้เราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะใช้ในการหยุดความอยากเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ส่งคนพูนว่าเป็นมรรคที่มีองค์แปด มักก็คือปฏิปทาการดำเนินการปฏิบัติการกระทาที่จะนำให้ความอยากต่างๆนั้นหมดสิ้นไปจากใจได้นอกจากก็คือองค์ที่หนึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้ององค์ที่สองเรียกว่าสัมมาสังคประความดำริหรือความคิด ที่ถูกต้องข้อที่สามของมัอกงที่สามก็คือสัมมากมโตการกระทําที่ถูกต้องข้อที่สี่สัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องข้อที่ห้าคือสัมมาอาชีวอาชีพที่ถูกต้องข้อที่หกสัมมาวายามม ความภาคเพียรที่ถูกต้องข้อที่เจด็ดสัมมาสติคือการนัลึกรู้ที่ถูกต้องและข้อที่แปดสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ ผู้ที่ต้องการที่จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยในใจนี้ให้มันหยุดได้ต้องมีคุณธรรมแปดข้อนี้คุณธรรมข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐินี้คืออะไรความเห็นที่ถูกต้องคืออะไรก็เห็นว่าทุกทั้งหมดนี้เกิดจากความอยากต่างๆนี้ก a ม m ตัณหา ภาวตันหาวิภาวะทัหาถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดต้องหยุดการ ม, มาตันหาภาวะันหาวิภาวะทัหาและทุกข์อีกอย่างหนึ่งก็คือทุกข์ที่เกิดจากการกระทาบาปเวลากระทาบาปแล้วใจก็จะทุกข์จะร้อนขึ้นมานี่คือสิ่งที่ต้องรู้ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนี้ก็คือ ต้องฝืนความอยากต้องหยุดความอยากต้องฝืนการกระทำบาปถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ในใจของเราเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องทำสองอย่างนี้ข้อที่สองของมาร์กก็คือความคิดที่ถูกต้องว่าต้องคิดอย่างไรถึงจะคิดที่ถูกต้องก็ต้องคิดว่าเราจะหยุดความอยากต่างๆ เราจะหยุดการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาด้วยการกระทำต่างๆเราทำอะไรเราอยากทำเพื่อให้เกิดความอยากอยากทำตามความอยากเราต้องทำเพื่อให้ความอยากนั้นมันหมดไปด้วยการไม่ทำตามความอยากต่างๆนะเราจะไม่ทำบาปถ้าเราไม่อยากจะให้ใจเราทุกข์เราก็ต้องฝืนเวลาที่เกิดความคิดที่อยากจะทำบา เราต้องคิดว่าห้ามทำบาปไม่ได้ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ออันนี้คือความคิดที่เราจะต้องมีอยู่เรื่อยๆคิดไม่ทำบาปคิดไม่ทำตามความอยากเรียกว่าความคิดที่ถูกต้องเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วการกระทาของเราก็จะเป็นไปตามความคิด เมื่อเราไม่คิดทำบาปเราก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีนี่เรียกว่าเป็นไม่ดื่มสุรายาเมาเรียกว่าสัมมารกรรมโตการกระทําที่ถูกต้องเป็นม้าคงที่สามมันก็จะตามมาแล้วก็ม้าคงที่สี่คือสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องคือการไม่พูดปดนั่นเองการพูดความจริงถึงเรียกว่าเป็น เพราะเวลาพูดความจริงมันจะไม่ทำให้ใจเราทุกข์แต่เวลาที่เราพูดโกหกแล้วใจเราจะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์อย่าพูดโกหกถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าพูดปุกปากไม่เฉยเฉยหรือปฏิเสธไปว่าไม่สามารถที่จะพูดเรื่องนี้ได้อย่างนี้ก็จะไม่ทำให้ใจทุกข์ได้แต่ถ้าไปโกหกปั๊บนี่ใจมันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีอนนี้คือ สรรมม า, าวาจาการมีาวาจาที่ถูกต้องแล้วถ้าเรายังต้องทํามาหากินเลี้ยงชีพอยู่เราก็ต้องมีอาชีพที่ถูกต้องอาชีพที่ถูกต้องก็คืออาชีพที่ไม่ทําบาบนี่เช่นไม่ฆ่าเป็ดฆ่ากาย่ยฆ่าสัตว์เพื่อเป็นการเลี้ยงชีพอาชีพเหล่า น, นี้เรียกว่าเป็นอาชีพที่ผิดเพราะมันจะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงอาชีพที่ไม่ควรที่จะกระทำหรืออาชีพที่ส่งเสริมให้มีการกระทําบาปเช่นขายของที่ทําให้ของที่เราขายนี้เอาไปทําบาปได้เช่นขายพวกกับดักสัตว์พวกแห่พวกอะไรต่างๆที่เอาไปใช้ในการที่จะไปจับสัตว์นาฆ่าได้<ม>ก็ต้องหลีกเลี่ยงอาชีพเหล่านี้ การขายสุรายามาก็เป็นอาชีพที่ไม่ควรทำเพราะจะส่งเสริมให้คนไปดื่มสุราแล้วเสียสติขาดสติแล้วไปทำบาปแก่ผู้ได้<ม>เรียกว่าสามาอาชีพทำอาชีพที่ไม่มีโทษต่อผู้เช่นอาชีพตัดเสื้อผ้าหรือเป็นแพทย์เป็นพยาบาล อาชีพอะไรที่มีทําคุณทําประโยชน์ให้กับผู้อย่าไปทําอาชีพที <the <The ่ทําให้ผู้เขาจะต้องเสียหายเดือดร้อนเรียกว่าสามาอาชีพสามาอาชีโวแล้วก็ความเพียรชอบเป็นอย่างไรสามาวายามอก็เพียรเพียรละบาปนั่นเองเพียรละความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเพียรสร้างเครื่องมือที่จะมาละบาป ที่จะมาหยุดการกระทาบาปที่จะหยุดความอยากต่างๆได้สิ่งที่จะมาหยุดความอยากต่างๆได้ก็คือสตินี่ก็ mm hmm. ให้เพียรเจริญสติอยู่เรื่อยๆ mm hmm. ให้คอยควบคุมความคิดให้ได้หยุดความคิดให้ได้เพราะความอยากมันต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือถ้าใจไม่คิดแล้วความอยากมันเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าใจไม่คิดถึงขนมความอยากกินขนมมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ายาถ้าถ้าใจไม่คิดถึงแฟนความอยากจะไปอยู่กับแฟนมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ <c oughs> ถ้ามันคิดแล้วมันก็จะเกิดความอยากต่างๆตามมาถ้าเราคอยคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดด้วยการจลสติอยู่เรื่อยๆ <c oughs> สติก็คือการให้ระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ <c oughs> ทำให้เราหยุดความคิดได้ก็คือให้มีอารมณ์ที่เราเรียกว่ากรรมฐานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเช่นพุทธานุสตินี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งที่นิยมใช้ในวงการปฏิบัติให้เราเระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติ <c oughs> ระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะระลึกแบบย่อหรือแบบพิศดานก็ได้ แบบยอดก็บริกรรมคำว่าพุทธโธพุทธโธไปชื่อของพระพุทธเจ้าถ้าแบบพิสดารก็สวดบทอิติปิโสไปก็ได้อิติปิโสภักวาอาลหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตตรโรภุริสธรรมสาริสัทธาเทวะมนุษย์นังุพุทธโธภักวาเสี ให้ท่องบทนี้ไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าเราอยู่กับการท่องคำการบริกรรมใจก็จะไปคิดถึงขนมไม่ได้คิดถึงแฟนไม่ได้คิดถึงที่เที่ยวต่างๆไม่ได้คิดถึงของที่ฟุ่มเฟือยต่างๆไม่ได้แต่ถ้าไม่มีอะไรคอยควบคุมความคิดคอยดึงความคิดไว้เดี๋ยวความอยากมันก็จะผลักดันให้ไปหาให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสของขนมบ้างของคนนั้นคนนี้บ้าง ของสถานที่ท่องเที่ยวบ้างของเครื่องใช้ไม่สอยชนิดต่างๆบ้างมันจะให้มันจะคิดไปตามความอยากเราต้องพยายามสกัดความคิดเพื่อไม่ให้ความอยากมันมีโอกาสโผล่ขึ้นมามนมั่นเองถ้าเรามีการเจริญสติอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องถ้าเป็นไปได้ต้องทาทั้งวันทั้งคืน <c oughs> ตั้งแต่ตื่นจนหลับเลย เริลืตาขึ้นมาก็จะเริญบทบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือจะใช้การสวดอิติปิโสไปก็ได้ในขณะที่เราไปทำภารกิจต่างๆที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นไปอาบน้ำล้างหน้าแปฟันแต่งเนื้อแต่ตงตัววีผ้าวีผมรับประทานอาหารกิจที่จำเป็นต้องทำที่เราไม่ต้องใช้ความคิดมาก คอยควบคุมความคิดอย่าให้มันเผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นๆรืนนี้คนนั้นคนนี้อย่าให้มันไปคิดถึงราบยศสะลรเสรินสุขนั่นเองให้มันอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งจะเป็นพุทธานุสติแบบพิสดารก็ได้แบบย่อก็ได้พุทธโธก็ได้หรือจะเฝ้าดูร่างกายอย่างอย่างต่อเนื่องในทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวก็ได้ ร่างกายกาลังทำอะไรก็เฝ้าดูดูการกระทาของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อันนี้เรียกว่ากายากตาสติการเจริญสติด้วยใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติการเจริญสตินี้ในกรรมฐานสี่สิบนี้มีแบ่งว่ามีจัดไว้สิบสิบชนิดด้วยกันที่เรียกว่าอนุสติสิทธ พุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติก็ระลึกถึงพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแบบย่อก็ได้แบบย่อก็ทำโมทำโมไปแบบพิจาราก็ส่วนสวักขาโตภะกวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญยิโกปจตังเวดิตตบโววิญยุหยีอันนี้ก็ท่องไปเรื่อยๆ ท่องไปหลายลรอบท่องไปเรื่อยๆทํองให้มันให้มันเป็นเครื่องอยู่ของใจไปเลยให้ใจอยู่กับทักรรมฐานบทใดบทหนึน่งอย่างใดอย่างหนึน่งแล้วใจจะว่างจากความคิดที่จะสวรหาความสุขจากราบยศเสริเสริญจากลูกเสียงกลิ่นลดผลตภัณฑชนิด ต, ต่างๆได้อันนี้เป็นการเจริญสติเพื่อสกัสดความคิดแลเพื่อเพื่อหยุด หยุดความคิดนี่ทำให้ความคิดมันน้อยลงหรือให้มันไม่มีเลยก็ได้แล้วแต่ความสามารถของการเจริญสติยิ่งเจริญได้มากเท่าไหร่ความคิดก็จะยิ่งน้อยลงไปเมื่อความคิดน้อยลงไปใจก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นเพราะเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ใจร้อนใจหนักก็คือความคิดที่ไปคิดไปตามกิเลสตัณหานี่นเองคิดไปตามความอยาก ที่อยากให้ร่างกายไม่เจ็บใข้ได้ปวดมันก็ทำให้หนักอกหนักใจเวลาที่ร่างกายไม่สบายเป็นโรคต่างๆขึ้นมาอันนี้คือมาร์คข้อที่เจ็ดก็คือการจเจริญสติอย่างสม่าเสมอถ้าอยากที่จะให้ความทุกข์มันน้อยลงไปความอยากมันน้อยลงไปแต่ความอยากมันยังไม่หมดเนี่ยความอยากมันจะหมดก็ต่อเมื่อ เราทำจิตใจให้นิ่งสงบเลยพอเรามีสติแล้วเราก็ต้องมาเจริญข้อที่เจ็ดข้อที่แปดคือสัมมาสมาธิคือทำใจให้สงบนิ่งเป็นสมาธิสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิก็คือใจที่นิ่งสงบเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้มีอารมณ์เดียวก็คือสักแต่ว่ารู้ปราศจากความรักชังกลัวหลง อันนี้เรียกว่าสมาธิที่เป็นสมาสมาธิซึ่งสมาสมาธินี้ก็มีอยู่สองระดับระดับแรกเรียกว่าคณิกะสมาธิระดับที่สองเรียกว่าอัปปนาสมาธิระดับแรกก็คือคณิกะสมาธิจิตตั้งจิตรวมลงเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ได้เพียงชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะเดียว ช่วงงูแลบลิ้นมีชั่วฟ้าแลบแล้วก็ถอนออกมาซึ่งจะเป็นประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติสมาธิใหม่ๆที่สติยังมีกำลังไม่มากพอที่จะทำให้จิตสงบได้นานทำได้เพียงแต่ให้มันสงบเพียงเดียวเดียวแล้วก็ถูกกำลังของกิเลสตันหาดดันออกมาให้ให้มาเริ่มคิดใหม่ แต่ถ้าฝึกสติไปเรื่อยๆพอพอได้สัมผัสกับคานทีกักสมาธิแล้วก็จะติดอกติดใจเพราะจะพบกับความสุขที่ไม่มีเคยไม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนเพราะมันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงมันก็จะทำให้เกิดฉันทะวิริยะเกิดความยินดีที่จะฝึกสมาธิฝึกสติให้มากขึ้น พอมีการฝึกสติให้มากขึ้นสติมีกำลังมากขึ้นบ่อยขึ้นนต่อไปเวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมอยู่ในความสงบตั้งอยู่ได้นานขึ้นพอตั้งได้นานเราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่ก็เหมือนกับคณิกะคือจิตสงบว่างเย็นสบายสักแต่ว่ารู้ปราศจากความรักชังกลัวหลงเป็นอุเบกขาวางเฉย อันนี้คือนี่แหละเรียกว่าสมาสมาธิเป็นสมาธิที่นิ่งสงบเราจะจากความลักจันกลัวลงแต่มีสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอุปจารสมาธิพระษาไทยอันนี้ท่านแสดงไว้ว่าพอจิต ร, รวมเข้าสู่ความสงบแล้วไม่อยู่นิ่งเฉยไม่อยู่ในอุเบกขาไม่อยู่นิ่งเฉยกับเริ่มออกไป สัมผัสกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์คือเป็นการมีอภิญญามีความสามารถมีความรู้พิเศษอุปจารสมาธินี้จะทำให้ผู้ที่ได้อุปจาระนี้สามารถที่จะไปติดต่อกับกายทิพย์ต่างๆได้ไปสนทนากับพวกเทวดาได้ หรือพวกเปรตก็ได้พวกอสูรและกายก็ได้พวกที่เป็นกายทิพย์นี้ผู้ที่มีกายทิพย์ผู้ที่มีอัคคี ญ, ญาผู้ที่มีอุปจารสมาธินี้จะสามารถที่จะติดต่อรู้เห็นพวกที่อยู่ในโลกทิพย์ได้ที่ไปเห็นสวรรค์<ๆ>เห็นนรกนี้ก็คืออุปจารสมาธินี้แล้วก็ยังสามารถมีความมีทิริตปฏิหารต่างๆด้วย อันนี้เป็นเรื่องของอุปจารสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิเพราะเป็นสมาธิที่ไม่นิ่งไม่สงบไม่ให้พลังแก่จิตใจไม่ปราศจากความรักชังกลัวหลงสมาธิแบบนี้ไม่สามารถนำมาไปสนับสนุนการเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสั ง, งโปรที่เป็นปัญญาเพื่อที่จะกําจัดตัณหาความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้ถ้าผู้ใดมีอุปนิสัยที่จะเข้าถึงสมาธิอันนี้แล้วถ้าไปหลงไปติดอยู่กับสมาธิอันนี้ใจก็เวลาเข้าสมาธิก็จะไปรับรู้เรื่องราวต่างๆทางนรกทางในโลกทิพย์แต่จะไม่ได้จะไม่ได้อุเบกขาใจจะไม่มีพลังในการที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาเวลาออกจากสมาธิมา เวลาออกจากสมาธิมาเวลาจะมาเจริญปัญญาก็ไม่มีกำลังที่จะเจริญปัญญาไม่ไม่มีกำลังที่จะพิจารณาอริยสัจสีตายรักได้และเวลาเกิดตัณหาความอยากก็จะไม่มีกำลังหยุดความอยากได้เพราะว่าไม่มีอุเบกขาไม่ไม่นิ่งไม่ตั้งอยู่ในความนิ่งนั่นเองเมื่อไม่มีความนิ่งก็จะหยุดกิเลสไม่ได้กิเลสมันกลัวอย่างเดียวตัณหาเป็นกลัวอย่างเดียวก็คือความนิ่ง ถ้าเรานิ่งเฉยแล้วตัณหามาหลอกมาล่อให้เราไปทำอะไรเราก็ไม่ไปได้เพราะในขณะที่เรานิ่งเรามีความสุขเรามีความพอแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาอะไรมาเพิ่มให้ความสุขกับเราแต่ใจที่ไม่นิ่งนี่มันจะเป็นใจที่หิวโหยอยู่ใจที่ยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับตนอยู่พอตัณหาความอยากโผล่ขึ้นมามาหลอกมาล่อ ให้ไปเที่ยวที่นั่นให้ไปดูน่นนู่น น, นี่ไปกิน น, น, นู่นกินนี่มันก็จะอดทนไม่ไหวมันก็จะไปทันทีอยนะ่สมาธิที่เป็นอุปจารสมาธินี้จะไม่มีอุเบกขาจะไม่มีความนิ่งออกจากสมาธิมานั้วเหมือนกับไม่ได้นั่งสมาธิเลยเพอเกิดความอยากก็ทนต่อสู้กับความอยากไม่ไหวแต่โชคดีอย่างหนึ่งก็คือสมาธิแบบนี้ ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะได้กันทุกคนผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่นี้จะไม่ได้อุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิที่พิเศษที่เกิดขึ้นกับคนบางคนที่อาจจะเคยสั่งเคยสะสมบา ร, รมีมาทางนี้มาก่อนเคยเรียนรู้วิธีเข้าอุปจารสมาธิมาก่อนพอมาฝึกสมาธิพอจิต สงปั๊บมันก็จะรออกไปทางอุปจารสมาธิทันทีแต่ถ้าเรารู้ว่าอุปจารสมาธิไม่ดีไม่ควรตามไปเราก็ดึงมันกลับให้มาอยู่ในอัปปนาสมาธิได้ถ้าเรามีสติพอเราก็หยุดจิตไม่ให้ออกไปท่องเที่ยวได้เนี่ละคือ เหตุที่ว่าทําไมจําเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่เก่งทางด้านสมาธิมาเป็นคอยผู้สอนเพราะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ถ้าเกิดผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงอุปจารสมาธิแล้วก็จะจะหลงจะไปติดอยู่กับอุปจารสมาธิแทนที่จะอยู่ในอัปปนาสมาธิก็จะไม่ยอมอยู่จะออกไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ จะอยากออกไปใช้ิใช้ปฏิหารต่างๆเพราะมันเป็นของเล่นที่สนุกสนานเพ<ม>ิดเทินนั่นเองดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติสมาธิถ้าเกิดจิตของท่านมีอุปนิสัยเวลาจิตสงบแล้วมันไม่นิ่งอยู่ในอุบเบกขามันออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆอันนี้ต้องดึงมันกลับมา ถ้าไม่เช่นั้นเราจะเสียเวลาถ้าไปทางอุปจารสมาธินี้จะเสียเวลาจะไม่ได้ประโยชน์จากการฝึกสมาธิแบบอุปจาระแต่อย่างใดเพราะว่ามันจะไม่มีพลังไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับกิลเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้ว น, นี่ก็เป็นมิจฉาสมาธิ คือปัญละสมาธิมิฉานก็คือมันไม่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญปัญญานั่นเองมันจะไม่ช่วยสนับสนุนปัญญาเวลาที่ปัญญาพิจารณาเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถึงแม้ปัญญาจะเห็นว่าเป็นตายรักษณ์สิ่งที่อยากได้จะนําไปสู่ความทุกข์ใจแต่ใจก็จะไม่มีกําลังที่จะหยุดตั้หาความอยากได้ พอเกิดความอยากขึ้นมาเกิดกามากตัญหาขึ้นมาอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะทนไม่ไหวต่อความอยากอยากร่ำอยากรวยก็ทนไม่ไหวอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็ทนไม่ไหวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็หยุดมันไม่ได้พอหยุดความอยากเหล่านี้ไม่ได้ความอยากเหล่านี้มันก็จะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจแต่ถ้าฝึกสมาธิให้อยู่ในสมาสมาธิ ให้อยู่ในอัปปนาสมาธิดนานๆให้มีกําลังหยุดได้นานๆทำใจให้นิ่งได้นานๆเวลาจะใช้ปัญญาหยุดความอยากมันก็จะหยุดได้เวลาความอยากมายั่วยุนให้ไปหาไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็หยุดได้เวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดความตายขึ้นมาก็จะหยุดความไม่ไม่อยากเจ็บได้ความไม่อยากตายได้ ใจก็จะไม่ทุกกับความเจ็บความตายได้ น, นี่คือสมาสมาธิต้องเป็นอัปปนาสมาธิแตค่ครั้งแรกๆของผู้ปฏิบัติใหม่นี้จะได้แค่คณิกะสมาธิก่อนเราจะพู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเต็มรูปแบบตลอดเวลาถ้าปฏิบัติวันละครั้งสองครั้งนี้ถ้าจิตมันรวมก็เป็นเพราะว่ามันได้สะสมบารมีเก่ามามากพอสมควร ได้ฝึกสติมามากพอสมควรพอรามานั่งสมาธิถึงแม้จะนั่งแค่วันละทั้งสองครั้งก็ทําใจให้สงบได้แต่อันนี้เป็นกรณีที่ยกเว้นไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนถ้าอยากจะให้จิตรวมนิ่งนานๆ น, า น, นี้จะต้องเจริญสติทั้งวันคนที่ยังไม่รวมจิตนั่งสมาธิเท่าไรจิตก็ยังไม่รวมนี้แสดงว่าการปฏิบัติสติยังมีเวลาน้อยมาก เวลาให้กับการฝึกสติการเจริญพุทธานุสติหรือธรรมานุสติหรือกายกตาสติหรืออานาปนสตินี้ยังมีน้อยจึงไม่สามารถที่จะยับยั้งความคิดหยุดการคิดให้นิ่งให้หายไปให้ใจนิ่งสงบได้ถ้าอยากจะให้ได้สมาธินี้จําเป็นจะต้องมีการฝึกแบบทั้งวันทั้งคืนเช่นจะต้องหาเวลาวันไหนว่างจากภารกิจการงานต่างๆ ไปอยู่วัดสักพักหนึ่งถ้าอยู่ได้นานๆได้นานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีวันหนึ่งมันก็ดีกว่าไม่ได้ทําเลยแต่ถ้าได้มากกว่าวันหนึ่งก็ยิ่งดีสองวันสามวันพยายามหาเวลามาให้กับการเจริญสติกับการนั่งสมาธิต้องทําแบบต่อเนื่องถ้าทําวลาครั้งสองครั้งนี้มันไม่ต่อเนื่องโอกาสที่จะทําให้จิตรวมนี้มันยาก ต้องทำต้องเจริญสติก่อนที่จะมานั่งต้องฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาต้องเริ่มติดสติแล้วติดเครื่องแล้วสติต้องเริ่มทํางานนะต้องบริกรรมพุทโธไปหรือต้องค่อยเข้าดูอิริยาบถของร่างกายแล้วว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในกําลังอยู่ในท่าไหนกําลังอยู่ในท่านอนพอลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ากําลังอยู่ในท่านั่งพอลุกขึ้นมายืนก็รู้ว่ากําลังยืน พอเดินก็รู้ว่ากำลังเดินต้องผูกใจไว้คู่กับร่างกายถ้าจะใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติถ้าร่างกายอาบน้ําล้างหน้าแปลงฝัานใจก็ต้องอาบน้ำน้างหน้าแปลงผ่า น, น, น, น, นไปกับร่างกายไม่ให้ไปคิดถึงวเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ไป น, นันขาดถ้าคิดก็สแสดงว่าควบคุมความคิดไม่ได้เราต้องคอยควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดด้วยการบังคับให้มันเฝ้าดูการเคขึ้นไหวการกระทําของร่างกายเป็นอย่างเดียว หรือจะใช้คําบริกรรมพุทธโธใช้พุทธานุสติมาช่วย อ, อีกเส้นหนึ่งก็ได้ถ้าเฝ้าดูร่างกายแล้วมันยังววบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้นอยู่ก็บริกรรมพุทธโธไปในใจด้วยควบคู่กันไป <S <S ทําอะไรก็ บ, บริกรรมพุทธโธไปดูการกระทําไปด้วยบริกรรมพุทธโธไปด้วยต้องทําอย่างต่อเ น, นื่องจนกว่าที่เราจะไม่ต้องทําอะไรแล้วมานั่งเฉย พอนั่งเฉยๆเราก็จะใช้คำบริกรรมพุทธโธอย่างเดียวก็ได้เพราะตอนที่เรานั่งร่างกายมันไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ทำอะไรก็ใช้คำบริกรรมพุทธโธอย่างเดียวก็ได้หรือบางคนจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกควบคู่กับคำบริกรรมพุทธโธก็ได้เช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได้แต่ไม่จาเป็นจะต้องทาแบบนี้สามารถแยกทาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ใช้คำบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวไปเรื่อยๆก็ได้ไม่ต้องดูลมหรือจะดูลมโดยที่ไม่ใช้คำบริกรรมพุโทโธก็ได้ดูลมก็ดูลมที่ปลายจมูกไปลมลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าเวลาหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกไม่ให้ไปบังคับการหายใจโดยเด็ดขาดไม่ไปบังคับให้มันหายใจยาวลึกๆปล่อยมันให้มันหายใจไปตามธรรมชาติของมัน มันจะหยาบก็รู้ว่ามันหยาบจะละเอียดก็รู้ว่ามันละเอียดจะยาวก็รู้ว่ามันยาวจะสั้นก็รู้ว่ามันสั้นใจมลมมันจะเปลี่ยนไปเวลาเรานั่งสมาธิใหม่ๆ ม, มันจะหยาบเพราะใจเรายังคิดอยู่มากความใจยังไม่นิ่งพอมันก็เลยทําให้ลมหยาบแต่พอใจเริ่มนิ่งขึ้นไปเรื่อยๆลมก็จะค่อยละเอียดลงไปค่อยเบาลงไปแล้วก็ ลมหายใจก็อาจจะยาวขึ้นยาวขึ้นหายใจได้ยาวขึ้นแต่เวลาเริ่มใหม่ๆลมอาจจะหายใจลมหายใจอาจจะสั้นอาจจะยาวแล้วก็ค่อยๆ ย, ยาวขึ้นค่อยๆละเอียดไปอันนี้เราไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมเป็นแต่ให้รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นให้ใช้การทำงานการเฝ้าดูการทำงานของลมหายใจนี้เป็นการผูกใจไว้ ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแค่นั้นเองถ้าดูลมลบพุโทโธไปด้วยบางทีมันอาจจะอาจจะหลงก็ได้เพราะพเข้าโทออกแล้วบางทีพุทพุโทโธอาจจะเร็วไปกว่าลมเข้าลมออกก็ได้มันก็อาจจะทําให้มันยุ่งยากทางที่ดีถ้าเป็นไปได้ก็ถ้ามีสติมากพอแล้วดูอย่างใดอย่างหนึ่งจะสบายกว่ า, าพุโทโธอย่างเดียวก็ได้จะดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้ แล้วถ้ามีความสติต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาเป็นสัมมาสติเป็นสติสัมปะชัญญะใจไม่วอกแวกใจไม่รับไม่วัดไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับการภาวนาอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุทโธนี้เดี๋ยวใจก็จะดิ่งลงเข้าสู่ความสงบได้เวลาจิตจะดิ่งนี่มันบางทีมันเหมือนกับตกจากที่สูงลงมา มันจะรู้สึกวูบขึ้นมาแล้วก็นิ่งเย็นสบายตอนนั้นใจรู้สึกจะเหมือนกับอยู่อีกโลกหนึ่งเเหมือนกับคนที่อยู่เหนือน้าคนที่ไปเล่นน้ำแล้วกระโดดลงน้าไปดำน้ำอยู่ใต้ใต้น้ในใต้ผิวน้าจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับคนต่าโลกมันจะเงียบกว่าเวลาอยู่เหนือผิวน้าเราจะได้ยินเสียงคนเสียงอะไรต่างๆแต่พอเรา นำน้ำลงไปใต้น้ำปั๊บเสียงต่างๆมันก็จะหายไปใจก็เหมือนกันเวลาใจรวมเข้าสู่ความสงบแล้วมันก็จะนิ่งจะเย็นจะเงียบจะสบายจะมีความรู้สึกไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนแ้วเวลามันนิ่งมันสงบตอนนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่คอยคอยเฝ้าดูมันไปเรื่อยๆให้มันสงบให้นานที่สุดถ้ามันจะเริ่มคิดถ้ายัง ใช้สติหยุดมันได้ก็หยุดมันอย่าไปอย่าไปปล่อยให้มันคิดพยายามควบคุมความคิดต่อไปถ้ามันอยากจะเริ่มคิดก็อย่าให้มันคิดถ้าอยากจะนั่งต่อไปก็อาจจะใช้คำบริกรรมพุทโธต่อไปก็ได้หรือถ้ามีลมหายใจสามารถเห็นลมหายใจได้ก็ดูลมหายใจต่อไปเป้าหมายก็คือให้มันนิ่งนา น, น, านยิ่งนิ่งมากยิ่งมีกาลังมาก ยิ่งมีกําลังที่จะสู้กิเลสตัณหาสู้กับความอยากต่างๆได้มากขึ้นไปตามลําดับเพราะเป้าหมายของเรานี้เราต้องสู้กับเราต้องหยุดความอยากทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากใจให้ได้และสิ่งที่จะมาสนับสนุนปัญญาผู้ที่เห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต้องหยุดความอยากก็คือสมาธินี่สัมมาสมาธิคือคืออัปปนาสมาธินี่อุเบกขาเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคืออุเบกขา การวางใจให้เฉยต่อความอยากต่างๆได้ความอยากจะมาชวนให้ไปเที่ยวก็เฉยอยากให้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็เฉยอยากจะให้ไปงานเลี้ยงก็เฉยอยากให้ไปดูหนังฟังเพลงก็เฉยเฉยอย่างเดียวถ้าฝึกสมาธิมากๆใจมันจะเฉยมันต้องเป็นของของจริงคือเฉยแบบจริงๆถ้าเฉยแบบฝืนนี่มันฝืนไม่ได้นานหรอกเฉยแบบฝืนเดียวสักพักหนึ่งมันก็ทนไม่ไหว นี่แหละคือสิ่งที่จําเป็นต่อการปฏิบัติคือสมาธิสติกับสมาธิพอได้สติได้สมาธิแล้วเราก็กลับมาใช้สมาสมาธิฏฐิสัมมาสังกปุลถ้าเราอยากจะดับความทุกข์เราก็ต้องละความอยากถ้าเราอยากจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากต่างๆนี้พอเรามีกําลังที่จะหยุดออกจากความอยากขึ้นมาเราก็หยุดมันได้ ท, ทันทีไม่ทำตามความอยาก ตอเราไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดฤทธิ์ไปหมดกําลังไปแล้วมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมารบกวนใจเราอีกต่อไปเมื่อความอยากต่างๆหมดฤทธิ์ก<ม>ารที่เราจะไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆก็จะหมดไปการที่เราจะมาเกิดแก่เจ็บตายก็จะหมดไป<ม>ใจเราก็จะขุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์ห<ม>บุดพ้นด้วยอํานาจของมรรค นักที่มีองค์แปดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปถึงสมาสมาธิที่เราจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติกันเองเพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายไม่สามารถปฏิบัติให้กับพวกเราได้ผู้ที่จะปฏิบัติต้องเป็นตัวของพวกเราเองคืออัตตาหีอัตนโนนาถุตนเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเพียงแต่ผู้สอนผู้บอกทางเป็นที่พึ่งในในระดับของครูบาอาจารย์ท่าน แต่ผู้ที่จะทาให้กิเลสตัณหาทาให้ความทุกข์ต่างๆหมดไปจากใจก็คือผู้ปฏิบัติเอง น, น, นี่แหละคือวิธีการที่เราจะทำให้เราหยุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงก็คือเราต้องหยุดความอยากต่างๆที่พาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้นั่นเองเพราะเมื่อไม่มีการเกิดแล้วทุกข์ก็ย่อมไม่มีตา ม, มาอย่างแน่นอน ถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ไม่ว่าจะเกิดอยู่ในภพภูมิไหนก็ตามภพที่สูงจะเป็นไปเกิดเป็นพรมเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเกิดเป็นพระนะนาณธิบดีมันก็ยังต้องเจอกับความทุกข์อยู่ดีต้องเจอกับความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายผู้ที่ไม่ทุกข์นั้นก็มีแต่ผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้นเพราะเมื่อไม่เกิดแล้วก็จะไม่เกิดไม่ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายต่อไป ดังนั้นโดยการสรุปกับคําถามที่ว่าเราเกิดมาทําไมถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้คําตอบว่าเรามาเกิดมาเพื่อมาหยุดการเกิดนี่และการจะหยุดการเกิดได้เราก็ต้องเจริญมรรคมรรคก็คือมรรคที่มีองค์8หรือย่ อ, อมาเป็นศีลสมาธิปัญญาให้เรามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อหยุดความอยากต่างๆ พอหยุดความอยากต่างๆได้หมดไปจากใจใจก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปนี่แหละคือคือการเหตุสิ่งสิ่งที่เราคนอยากจะทาเมื่อเรามาเกิดแล้วก็คือมาหยุดการเกิดกันมาหยุดการเกิดด้วยการหยุดความอยากจะหยุดความอยากได้ก็ต้องเจริญต้องสร้างมรรคขึ้นมรรคที่มีองค์8ดหรือที่ย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาให้เรามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้ว รับประกันได้ว่าต่อไปการเกิดก็จะไม่มีตามายต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดทุ ก, ก็จะไม่มีความแก่ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่มีต่อไปเราก็จะอยู่กับความสงบของพระนิพพานไปตลอดจิตที่ปราศจากความอยากนี่เราเรียกว่ า, านิพพานไม่ใช่สถานที่แต่เป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่ได้ชำนะ ได้รับการชำระจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เองนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเววาหาปุราปริปุเรติสากะลังเอวามีวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกัรปติ อิชิตังปะทิตังตุมหังค um ิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะอาโสยะธามณิจชตอาบาโสยะธาสัพพิตโยวิวัจจันตุ สัพพโรโขวินาสสัตว์มัตตภวตวันตาโยสุขิตายุโกภวะอภพิวะธนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารธหทมาวทานติอายุวันโอสุขังภาลัง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 y o u t u ด e Dr.V63 วีหกสิบสามวิทยุออนไลน์เก้าขับเฮห้าผู้รับฟังนากุติสองร้อยสิบเก้ารวมทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดค่ะใครมีคำถามอะไรก็ถามได้ค่ะคำถามจากทางเฟ e บ o o กค่ะจากคุณนัชชาเป็นซึมเศร้าทำอย่างไรคะหยุดคิดเลยความคิดมันทำให้เกิดความอยาก พออยากแล้วไม่ได้ดังใจงอยากก็เศร้าเน้นถ้าหยุดคิดได้มันก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวแล้วก็ความเศร้าก็จะหายไปชั่วคราวถ้าพอความเศร้าโผล่ขึ้นมาใหม่ก็ต้องหยุดคิดใหม่พยายามฝึกสติพุโทโธพุโทโธไปเป็นวิธีการหยุดความคิดที่ง่ายที่สุดคําถามจากคุณแนนค่ะกราบเรียนถามค่ะตอนนี้เต็ด ติดเพ่งพอรู้ตัวมันก็ไปเพ่งอยู่กลางอกเองค่ะควรรู้ว่ามันเพ่งเฉยๆหรือรู้ว่าให้หรือรู้ตัวให้กว้างขึ้นดีค ะ, ะให้เพ่งเฉยๆให้เพ่งที่ใดที่หนึ่งอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็แล้วกันถ้าเพ่งที่ไหนก็เพ่งที่ตรงนั้นอย่างเดียวให้จิตรวมคำถามจากทาง YouTube d กเตอร์วีชค่ะจากคุณวันเพ็ญ เวลาป่วยเกิดทุกเขเวทนาตามร่างกายลูกน้อมจิตขึ้นมาระลึกถึงความตายว่าถ้าถึงเวลาก็ไปคนเดียวเมื่อปวดมากก็ภาวนาถี่ๆก็ช่วยให้จิตมีที่เกาะเจ้าค่ะกราบพระอาจารย์เมตตาช่วยชี้แนะการเข้ากรรมาถามซ้อมตายเจ้าค่ะก็ต้องยอมรับความจริงว่าความตายมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ความเจ็บก็ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ พอถึงเวลามันเกิดก็ทําใจเฉยๆรับมันไปถ้าใจเฉยใจไม่ต่อต้านใจก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะต่อต้านไม่อยากตายไม่อยากเจ็บนั่นต้องหยุดความไม่อยากตายไม่อยากเจ็บให้ได้ด้วยการใช้สติบริกรรมพุทโธพุทโธไปสนับสนุนปัญญาที่สอนว่าความเป็นความตายมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครไปควบคุมไปบังคับไปห้ามมันได้ มันจะเกิดก็ต้องปล่อยมันเกิดไปหัดอยู่กับมันไปด้วยการมีสติพุโทโธพุโทโธไปแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันครับครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับอยู่ดีๆมีคนมาโกรธโมโหแล้วก็พูดใส่ร้ายเราครับครั้งๆ ท, ที่ยังไม่เคยเจอหน้ากันไม่รู้จักกันมาก่อนเนี่ยจะต้องทำอย่างไรครับก็อยู่ในโลกนี้มันเจอได้ทุกอย่างนะอยู่ดีๆก็บางทีก็เอาเงินมาให้เราก็มีใช่ไหม มันมีทั้งดีทั้งไม่ดีปนกันไปมันเป็นโลกของอนิจจังถ้าเราอย่าไปยึดไปติดกับอย่างใดอย่างหนึ่งให้รับทั้งสองอย่างไม่ได้ครเอเงินมาให้ก็รับได้ใครจะมาด่าเราแล้วก็รับได้เพราะเราห้ามเขาไม่ได้เราห้ามใจเราได้ใจเราไม่ต้องไปทุกข์กับเขาได้ครับใจยังใจเหมือน ยังภาวนายังได้ไม่เต็มที่เหมือนแบบใจยังกระเพื่อมอยู่กระทบอยู่ก็ออตองพยนต้องพอนายเต็มที่มันจะได้ไม่กระเพื่ับฝึกไว้เรื่อยๆต่อไปใจก็จะเฉยได้ครับครับสติ <ๆ S 2> บ่อยๆครับขอบพระคุณครับคําถามจากผู้ฝากถาม น, น้ากุฏิคะ่ะถ้านั่งสมาธิแล้วรู้สึกรอยต้องทําอย่างไรคะไม่ต้องไปสนใจกับความรู้สึก มันจะลอยหรือจะจมหรือจะอะไรก็ไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับมันให้ความสําคัญอยู่การภาวนาถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าเราใบกรรมพุโทโธก็บริกรรมพุโทโธต่อไปอีกคําถามจากนักกุติค่ะคนที่มีอาการซึมเศร้าสามารถฝึกสมาธิได้หรือไม่จะเริ่มต้นอย่างไรก็ฝึกสติก่อนไงถ้าฝึกสติควบคุมความคิดได้ก็จะสามารถควบคุมความเศร้าได้ การวิธีฝึกสติก็มีหลายวิธีจะสวดมนต์นนไป ก, ก็ได้สวดมนต์ในทุกิริยาบทเลยก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องมารอนั่งสวดมนต์ต่อเวลาถึงเวลานั่งสวดมนต์ข้ามาสวดเพราะว่าอาการซึมเศร้ามันเกิดตลอดเวลาถ้าเราอยากจะให้มันหายเร็วเราก็ต้องขยัสนสวดไปทั้งวันทั้งคืนเลยก็ได้หรือ mm hmm. ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนจากการสวดมาบริกรรมพุโทโธพุโทโธแทนก็ได้ เวลาเดินทําอะไรก็ให้มีสติอยู่การเดินการกระทําก็ได้ค่อยเจริญสติให้มากคอยหยุดความคิดคอยลดความคิดลงให้น้อยไปความคิดน้อยลงความอยากก็จะน้อยลงไปความซึมเศร้าก็จะน้อยลงไปตามลำดับคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะจากคุณมานาขอสอบถามพระอาจารย์ครับผมเจริญสติในระหว่างวันบ้างพอสมควร พอตอนนอนภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆจนมันสว่างค้างยาวนานประมาณเป็นชั่วโมงจนร่างกายมันเหนื่อยเหมือนคนอดนอนผมเลยถอนจากการภาวนามาแล้วถึงนอนหลับขอสอบถามว่าการถอนออกมาแล้วนอนอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ครับถ้าเราต้องการพักผ่อนมันก็ต้องนอน เ, เราต้องมีเวลาแบ่งให้ร่างกายได้พักผ่อนน้างถ้าไม่พักผ่อนในร่างกายมันก็ไม่ไหว เั่นถึงเวลานอนหลับเราก็อย่าไปเจรังสติให้มันให้มันมากให้มันคอยควบคุมความคิดก็พอไม่ให้มันคิดปรุงแต่งจิตจะได้นั่งกายจะได้นอนหลับได้คำถามจากทาง inbox ค่ะวิชาโหราศาสตร์เป็นสัมมาอาชีพไหมขวางพระนิพพานไหมคะมันก็อยู่ที่ว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ ถ้าไม่เป็นความจริงมันก็เป็นการโกหกหลอกลวงมันก็เป็นวิชาชีพถ้าเป็นความจริงก็มันก็ไม่เป็นวิชาชีพอย่างาดาราศาสตร์นี่มันเป็นความจริงดาราศาสตร์เขามีการวิเคราะห์ด้วยด้วยหลักของของของอะไรศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ก็เป็นไปตามที่เขาวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ว่าจะมีการถรัก เมื่อไหร่จะมีสุริยะคติเมื่อไหร่มันก็เป็นไปตามที่เขาอ่างนมันก็ตองกับความเป็นจริงอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ไม่เป็นการหลอกลวงแต่ถ้าบอกว่าดาวมีชะตาแบบนี้เกิดมานั้นวันนี้เราจะร่ำจะรวยแล้วเกิดไม่รวยขึ้นมาจะทำยังไงคำถามต่อไปจากทางเฟซบุ๊กค่ะสุนักที่เลี้ยงไว้กำลังป่วยหนะัก เกิดความสงสารมันมากต้องทําใจอย่างไรไม่ให้คิดสงสารมันครับก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาสัตว์ทุกตัวทุกคนเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดาปล่อยให้มันตายไปตามธรรมชาติของมันน้อยใจเราจะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมให้มันตายเราไม่อยากให้มันตายแค่นี้นคําถามจากทางทาง youtube ค่ะจากคุณจิรารัต กลับนมัสการครูบาอาจารย์ค่ะภาวนามาตลอดแต่เนื่องจากมีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนบางทีจิตหลุดจากสติทำให้ปรุงปรุงแต่งและเริ่มทุกข์ดีว่าดึงกลับเข้าการภาวนาได้ทำอย่างไรจะทำให้จิตสเสถียรมากขึ้นกว่านี้คะก็มันฝึกสติอยู่บางๆฝึกทั้งวันทั้งคืนให้ต่อเนื่องให้เป็นเป็นนิสัย แล้วต่อไปจิตจะไม่ฟุง้งหรือถ้าจิตฟุง้งเราก็จะใช้สติหยุดมันได้ทันทีหมดแล้วค่ะหมดแล้วเลยมีใครอยากจะถามอะไรไหมเมื่อกี้มีชาวต่างชาติที่มากับคนไทยคนหนึ่งไ่ร้ราเพาอยากจะถามอะไรหรือเปล่าแล้วกลับไปแล้วยกมือขึ้นมาเข้ามาข้างหน้านมาพูดที่ไมโครโฟน มีอีกหนึ่งคำถามค่ะถามเลยก่อนคำถามจากคุณมาคี้กลาบเรียนถามทำสมาธิไปเรื่อยๆถ้าจิตรวมจะรวมเองใช่ไหมครับอ่มันต้องรวมเองเราไปบังคับมันไม่ได้คอ้มีสติเท่านั้นสติจะเป็นตัวที่ทำให้มันรวมไม่ใช่ความอยากของเราอยากให้มันรวมนั่งไปจนมันตายมันก็ไม่รวมมันจะรวมเพราะมีความนี้มีสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดใช่ เอความคิดมันหยุดปับจิตก็จะรวมขึ้นมาเองค่ะคำถามจากคุณใบบุญการปฏิบัติธรรมเสื่อมได้หรือเปล่าคะปกติจะมีความวิริยะหมั่นเจริญสติภาวนาทุกวันแต่ช่วงนี้เหมือนขี้เกียจคะ่ะแต่ยังทำอยู่คะ่ะและมีอาการเบื่อหน่ายตัวเองหรือต้องเจริญกรรมฐานมรณาสติตลอดเวลาเพิ่มเจ้าคะ่ะ ก็การเจริญก็เสื่อมก็อยู่ที่การปฏิบัติถ้าปฏิบัติมากมันก็จะเจริญปฏิบัติน้อยมันก็เสื่อมก็เหมือนรถยนต์เน่ยรถยนต์วิ่งเร็วพราะเราเหยียบคันเร่งมากมันก็วิ่งเร็วพอเราปล่อยคันเร่งมันก็วิ่งช้ามันมีเหตุมีผลความเจริญความเสื่อมทางทรรมก็อยู่ที่การปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยหรือไม่ปฏิบัติถ้าหยุดปฏิบัติเมื่อไหร่มันก็จะไม่ไม่เจริญมันก็จะมีแต่เสื่อมไปเรื่อยๆ ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่หยุดการปฏิบัติมันก็จะเจริญไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสได้คำถามจากคุณสมพรค่ะถ้ายึดความคิดตัวเองเป็นหลักต้องแก้ไขยอย่างไรครับก็ดูว่าความคิดนั้นตรงกับความจริงหรือไม่ถ้าตรงกับความจริงก็ยึดได้ถ้าถ้าคิดว่าความอยากทำให้เราทุกข์ใจเราหยุดความอยากได้อย่างนี้ก็ ก็เป็นความคิดที่ถูกต้องก็ยึดได้แต่ถ้าเป็นความอยากที่มันไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนมันอย่าไปทําตามมันอย่าไปคิดตามมันขอขอโอกาสเจ้าค่ะคืออันนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนแล้วนะคะก็คือโยกก็อย่างติดสวยติดงามนะคะแล้ว ก็เลยบังคับเลยก็เลยอัดรูปพวกคนตายทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็เปิดแบบชนิดแบบติดต่อกันเลยนะคะทุกวันทุกวันแล้วก็วันหนึ่งก็จิตรวมได้ประมาณวันหนึ่งแต่หลังจากจิตรวมเนียก็คือปกติจะไม่กลัวพวกศพเลยนะคะแต่ฉันคือกลัวมากอันนี้ค่ะผ่านมาเดือนหนึ่งไอความกลัวนะะันค่ะคือหน้าทีวีก็ยังกลัวมัน อันนี้น่าจะทนได้แล้วก็เลยพรุ่นี้ว่าจะลออีกครั้งนึงก็เคยบอกว่าจะเปิดเฉพาะตอนกินข้าวะคะ่ะเพราะว่าแล้วอาจารย์ท่านหลวงพ่อแบนก็สอนว่าให้นับกินข้าวก่อนจะกิงเข้าไปก็พยายามจะทํา2อย่างรวมกันเนะะี่ยค่ะก็ยอยากจะสอบถามว่าถ้าจิตมันอ่อนอยู่เนี่ยเปิดภาพศพเฉพาะตอนกินข้าวจะดีกว่าไหมคะเพราะว่าเดือนที่ผ่านมานี่แบบ คือกลัวมากคือแบบมองเดินผ่านทีวีก็ยังไม่ได้อะค่ะอะถ้ามันกลัวสแสดงว่าจิตเรายังไม่มีกําลังพอที่จะรับความจริงได้ยังสงบไม่พออุเบกหายังน้อยต้องฝึกสมาธิฝึกสเตจให้มากขึ้นให้จิตนี้ต้องเข้าสมาธิก่อนแล้วไอ้ภาพโสมนี้ต้องเปิดไหมคะหรือว่ายังถ้ายังถ้ายังดูไม่ได้ก็อย่าเพิ่งดูปัญญาใ ห, ให้หยุดไปก่อนอ่าปัญญามันต้องมีสมาธิเป็นผู้ส น, สนับสนุนถึงจะสามารถ ม อ, มองความจริงบางอย่างได้ถ้ามันถ้าเป็นของหนักๆมันจะไม่กล้ามองมันกลัวแล้วเปิ ด, ดตอนกินข้าวแค่วันละครั้งได้ไหมคะไปดูทํำไมไปดูตอนกินข้าวทำไมกินข้าวมันต้องดูเพื่อไม่ให้อยากกินไม่ใช่ไม่ให้กลัวเรื่องความตายหรือกลัวต้องซากสดถ้าอยากจะถ้าถ้าอยากจะดูตอนก่อนกินข้าวก็ดูปฏิกูลดูความดูอาหารที่มันกลายเป็นอุจจาระอย่างเนี้ย มันจะดีกว่าอ่มันจะดีกว่ามันก็จะไม่หิวมันก็จะไม่อยากกินแต่ก็ต้องระวังเดี๋ยวมันกิดข้าวไม่ลงอีกก็จะมีปัญหาอีกอือนั้นก็พรุ่งนี้ก็คือยังไม่เปิดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนเดิมอีกอเราต้องรู้ว่าเราต้องการทํานี้เพื่ออะไรต้องการดูอาสุชฌะเพื่ออะไรดูซากศพเพื่ออะไรทําไม่รู้มันก็อย่าเพิ่งดูดีกว่าที่ให้ดูมันมีสองอย่างให้ดูว่าร่างกายมันต้องตายไปความจริงอือ ยืนยันว่าร่างกายของเราทุกคนจะต้องตายต้องเป็นซากศพเพื่อที่จะได้สอนใจให้ยอมรับความจริงอันนี้อันนี้เป็นเหตุผลนั่นเองที่การดูซากศพอีกอย่างก็ดูลังับกาเมาการมาราคะหรือการ ม, าร ม, ม, มลุ่มเวลาที่เราเห็นร่างกายที่สวยงามเราก็อยากจะมีกามกับเขาแต่พอถ้าร่างกายเขากลายเป็นซากศพไปเมื่อไหร่ปั๊บความอยากจะมีกาเมลุ่มกับเขาก็หายไป ที่เปิดไม่ใช่ทั้งสองเหตุผลแพ้บังคับจิตอันนี้นก็เลย อ, อย่าไปใช้มันไม่ถูกกรรมฐานสำหรับเราอ๋อนั้นไม่ถูกค่ะกรรมฐานเวลาจะต้องบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือดูดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในตลอดระยะทั้งวันให้สติกับสมาธิแข็งกว่านี้ก่อนแล้วก็นั่งสมาธิให้จิตดนเป็นโอเบคาก่อนเมื่อมีโอเบคาแล้วที่นี้ก็มาดูแล้วก็จะเฉยๆได้ค่ะ ต้องมีต้อง ม, ม, มีอุเบกขาคือไม่รักชังกลัวหลงเนี่ยนั่งสมาธิแล้วความรักชังกลัวหลงมันจะถูกกดไว้มันจะทําให้เรามองสิ่งต่งางๆมันจะแบบไ ม, ไม่ไม่หวั่นไหวไนดะ้เหความตายก็ไม่หวั่นไหวเห็นนสุภาพก็ไม่หวั่นไหวบางคนถ้าไปเห็นนสุภาพนี่อ้วกตาก็ไม่บางคนอยากจะไปดูสุภาพไปดูที่โรงพยาบาลพอไปดูแล้วจะเป็นลมก็มีบางคนมันแสดงว่าจิตอ่อนไปอุเบกขามีน้อยไป คำถามจากทาง YouTube ค่ะจากคุณซ l อกราบนมัาสการพระอาจารย์อยากเรียนถามว่าการกินไอศครีมรัมเรซินที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะดื่มแอลกอฮอล์เพื่อการมึนเมาถือเป็นการผิดศีลห้าไหมคะผิดทั้งนั้นน่ถ้ามันมีแอลกอฮอล์มันก็ผิดแล้วผิดมากผิดน้อยเหมือนเสื้อขาดมากขาดน้อยเสื้อถูก เ, เข็มทิ่มเข้าไปมันก็ขาด น, นหนึ่งนะ ถ้าโดนมีโดโนอะไรฉีมันก็ขาดมากขึ้นเฉะนั้นทางที่ดีก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าไม่ตายหรอกถ้าไม่ได้กินไอติมรสนั้นกินรสอื่นก็ได้มันจะไปยุ่งยากกับมันทำไมถ้าปฏิบัติยังติดรสชาติอยู่ก็อย่าไปปฏิบัติให้เสียเวลาเลยคำถามจากคุณกิตตาพรลูกดื้อชอบเถียงเราจะวางเฉยหรือต้องทาอย่างไรดีคะ ก็ก็เหมือนกับเขาเป็นส้มเราอยากให้ก็เป็นกล้วยอย่างนี้เปลี่ยนก็ได้หรือเปล่าถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องยอมรับตามธรรมชาติของเขาคนบางคนก็เด้อบางคนก็ว่านอนสอนง่ายก็เป็นเหมือนผลไม้ชนิดต่างๆกันก็ต้องทําใจดีที่สุดถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราไม่อยากจะไปมีปัญหากับเขาก็ปล่อยเขาไปแต่เรามีหน้าที่สอนก็สอนไปสอนได้แต่เขาจะเชื่อฟังเราหรือไม่นี้เป็นเรื่องของเขาเป็นสิทธิ์ของเขา Yeah. แล้วเราจะไม่ทุกข์เขาก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไปบังคับเขาให้ทำตามที่เขาไม่อยากจะทำตามเขาก็จะทุกข์เราก็จะทุกข์เพราะเขาก็ไม่ทำตามที่เราอยากอยู่ดีโอเค o ahead. โอเค thank you very much I have uh, one question sometimes during my meditations so I have these um, moments that, let let's say of clarity where I see something very clearly But it seems to be only like on the level of the subconscious mind, mm -hmm. and then after the meditation finishes, um, it seems to have disappeared. I, I don't know know it anymore. Well, the experience you get from meditation is temporary. Mm -hmm. It comes and goes. So don't don't pay attention to them. Let them come and go. Because our our goal in meditation is to empty the mind, to make the mind calm and still and peaceful and happy. Okay. This will last with with with us if we keep on doing it. But things that appears in meditation can come and go, and they can be good or bad sometimes. But they usually not good for our meditation. So don't pay attention when they appear. Keep focus on your your meditation object. If you use your breath, just keep watching your breath. If you use the mantra, just keep reciting your mantra. Whatever appears, don't pay attention to them. Ignore them. Okay. And you're welcome. What's the other? h e okay. Ask t o u e t o questions, e a s Questions from Makasi. เราได้อะไรจากความอดทนกับความอยากทั้งๆที่เราไม่มีความสุขต่อกัรละความอยากเช่นอยากทานอาหารร้านนี้มากแต่ตัดใจไม่ทานจึงไม่มีความสุขเราทำเช่นนี้ถูกไหมคะเพราะว่าความอยากกินยังนี้มันยังมีอยู่ถ้ามันอยากกินเมื่อไหร่มันหมดไปความสุขก็จะเกิดขึ้นทันทีอย่างนี้ก็ต้องต้องอดทนต่อไปต้องอย่าไปกินตามความอยากต่อไป เป็นความรู้สึกไม่ไม่อยากจะกินมันมันเกิดขึ้นในใจไม่อยากจะกินหนึ่งแล้วเฉยเฉยไม่ไม่เดือดร้อนเวลาไม่มีกินแล้วไม่มีกินก็ไม่เดือดร้อนอั้วตอนนั้นใจเราจะมีความสุขเพราะว่าเรากินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่ถ้าเราอยากกินแล้วพอไม่ได้กินมันก็จะทุกข์แล้วพอกินแล้วเดี๋ยวมันก็อยากกินต่อไปมันก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆอย่างเราต้องยอมยอมทนทุกข์ในการฝืนความอยากจนกว่าความอยากมันจะหมดกําลัง พอความอยากหมดกาลังแล้วมันก็จะไม่มาอยากอีกต่อไปเราก็จะมีแต่ความสุขคาถามจากคุณขีทีคัฒนาทำสติสมาธิเจริญให้มากให้สมาธิเข้าได้จนเป็นหนึ่งเดียวบ่อยๆแล้วจะทำให้ได้ตัวอเบขาใช่ไหมเจ้าคะและเมื่อได้ตัวอเบขาแล้วจะนำไปแก้ไขความทุกจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้องเพราะความเหตุที่ทําให้เราทุกกับความแก่เจ็บตายก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเราหยุดความอยากนี้ได้ด้วยใจ ด, ยด้วยสมาธิแล้วความอยากก็จะหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปเราก็จะไม่ทุกกับความเจ็บความตายต่อไปเฉยๆคาถามจากคนนุณนิรุติคะ่ะกิเลสเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ ก็จากความหลงไงความไปหลงเห็นว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีจะให้ความสุขกับเราแต่ความจริงแล้วมันไม่ดีเพราะมันจะให้ความทุกข์กับเราเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงงั้นวิธีการทำให้ติเลสไม่เกิดก็ต้องมีปัญญาต้องเห็นตายรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งที่เราอยากหมดเรื่องคำถามสุดท้ายนะคำถามสุดท้ายค่ะ คำถามจากคุณจุ๋มขอคำแนะนําสําหรับคนที่มีความตั้งใจและสนใจที่จะปฏิบัติสําหรับมือใหม่ต้องเริ่มอย่างไรดีคะก็ต้องศึกษาวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนอยากจะปฏิบัติอะไรก็ศึกษาเรื่องนั้นไปอยากจะปฏิบัติสมาธิก็ศึกษาวิธีนั่งสมาธิอยากจะปฏิบัติรักษาศีลก็ศึกษาเรื่องศีลไปเอาเป็นเรื่องๆไปเหมือนกับการขับรถถ้าอยากจะขับรถก็ศึกษาวิธีขับรถว่าขับอย่างไร ถ้าอยากจะล้างรถก็ไปศึกษาวิธีล้างรถว่าล้างอย่างไรถ้าเราไม่รู้จักวิธีศึกษาก่อนพอเรารู้เรารู้วิธีที่ถูกต้องแล้วเราก็นำไปไ ป, ปฏิบัติต่อไปแล้วผลก็จะเกิดตามมามเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา<ม>ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิ จ, จารณาไปปฏิบัติ